ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโภติยานในวันนี้จะได้พูดถึงการบรรลุมรคลเป็นพระหันของพระสารีบุตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ถ้าสุการคาตาภูเขาพิจกูดเขตกรุงราชครึก ครันั้นมีปริภายชคชื่อทีาคณะไะ้เข้าเฝ้าถึงที่ประทับหลังจากไปผ่านสนทนาปราศัยกันพอสมควรแล้วท่านก็เสนอความเห็นของท่านว่าความจริงข้าพเจ้ามีปกติกล่าวอย่างนี้มีปกติเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรา พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอคีเวสนะแม้ความเห็นของท่านว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เรานั้นก็ไม่ควรแก่ท่านก็ถือว่าเป็นพระพุทธรัตรที่คมมากทำให้ท่านที่้านักขางงไปทีเดียวในหนังสือพุทธวัสตรงนี้ท่านแปลว่า เขาจะมีความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าข้าพ เ, เจ้าไม่ชอบใจทั้งหมดตูจารับสั่งว่าถ้าอย่างนั้นความเห็นของท่านก็ต้องไม่ควรแก่ท่านด้วยท่านต้องไม่ชอบใจความเห็นของท่านด้วยเพราะว่าท่านใช้คำว่าทั้งปวงสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกร่เราก็แสดงว่าไอ้ตัวความเห็นของท่านเองเนะี ก็กลายเป็นไม่ควรแก่ท่านด้วยเพราะมันอยู่ในคําว่าทั้งปวงด้วยท่านก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าความเห็นนี้ควรแก่ข้าพเจ้าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเห็นเช่นนั้นพึงเป็นเช่นนั้นแม้ความเห็นนั้นก็พึงพึงเป็นเช่นนั้นพรุทธเจ้าก็รับสั่งว่าอคิเวสณะ อคเวศนะเป็นชื่อโคตรเขานะฮะทีฆนาขานั้นเป็นชื่อทีฆนาขาแปลว่าเล็บยาวนะฮ ะ, ะแสดงว่าเป็นปริภาชคประเภทที่ชอบใบเล็บยาวน่าจะเป็นเนมิตกนามนะฮะคือไม่ใช่ชื่อจริงรับสั่งว่าชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทางนั้น แม้ความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้นดังนี้ชนเหล่านั้นละความเห็นนั้นไม่ได้ก็ยังยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีมากคือมากกว่าคนที่ละได้หมายความว่าคนในโลกตามปกติแล้วใช้อารมณ์หรือใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองตัดสินอารมณ์ทั้งหลายช่นบอกว่าความเห็นนั้นก็พึงเป็นเช่นนั้นทั้งนั้น หมายความว่าท่านก็ปักใจชอบใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นบางทีท่านก็ไม่ชอบใจท่านไม่ต้องการเนี่ยท่านเกลียดท่านก็มองว่าสิ่งเหล่านั้นก็เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแล้วลักษณะเหล่านี้ทำให้คนเราเกลียดกันอย่างคาพูดของคนไทยคาหนึ่งที่พูดว่า เจองูก็แขกใกลตีแขกก่อนเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ามีลักษณะถือในแนวปักใจฟังใจอืาจะมีคนสักคนหนึ่งไม่พอใจแขกสักคนหนึ่งแล้วก็ใช่อารมณ์พูดออกไปว่าคือทำนองคล้ายๆกับแขกทั้งปวงนี่ใช้ไม่ได้ซึ่งมันผิดตั้งแต่คิดก็ผิดแล้วแต่ว่าอารมณ์ในลักษณะนี้คนชอบใช้ คนจึมีการแบ่งแยกกันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ในที่ต่างๆอย่างประเทศอักการนิสถานนเนี้ยที่เกิดแตกแยกจนจะรักษาความเป็นประเทศไว้ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าชนเผ่ามันเยอะเหลือเกิอนอะ่ะมากมายกายกองแล้ว ก, ก, กระจายอยู่ในส่วนต่างๆของประเทศวัานก่อนก็ทราบข่าวว่าพวกอเมริกาก็ถูกลอก ถูกยืมให้ไปกำจัดฝ่ายที่ตรงกันข้ามกับตนเผ่าพันธุ์ที่ตรงกันข้ามกับตนนั้นก็เกิดมาจากอะไรเกิดมาจากว่าเมาว่าเผ่าพันธุ์นั้นไม่ดีทั้งหมดแล้วก็คิดว่าตัวเองเน่ยดีทั้งหมดโดยลืมไปว่าการไปหลอกคนอื่นให้ไปฆ่าคนอื่นนั้นมันไม่ดีหรือแม้แต่หลอกคนอื่นเฉยๆมันก็ไม่ดี ความคิดในแนวนี้จึงมีลักษณะปักใจแล้วก็ทำให้คนในละได้ยากคนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่ลาดความยึดมั่นหรือมั่นได้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คงยังคังยึดยังยังคงยึดมั่นหรือมั่นกันอยู่รับสั่งย้ำว่าชนในโลกผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ความเห็นนั้นก็เพึ่งเป็นเช่นนั้น ทางนั้นแม้ความเห็นนั้นก็คึงเป็นเช่นนั้นทางนั้นทางนี้จนเหล่านั้นควรละความเห็นนั้นและไม่ยึดถือความเห็นอื่นนั้นมีน้อยคือน้อยกว่าคนที่ยังละไม่ได้คนในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นแ่ะคือมีความยึดมั่นถือมั่นด้วยตัณหาอุปาทานนะนจะมีเยอะแต่ว่าทํายังไงอย่าให้ถึงกับไปยึดติดในแนวที่ มันเป็นอันตรายเกินไปอย่างความเห็นที่ท่านเรียกว่าเป็นนิยตะมิชาทิฏฐิเนี่ยแต่และควาก็ปักใจลงไปอย่างนั้นถือว่าการกระทำไม่เป็นการกระทำถือว่าผลทั้งหลายไม่ได้มาจากเหตุถือว่าไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีอะไรเลยซึ่งความเห็นในแนวนี้เป็นอันตรายต่อผู้ที่เห็น เพื่แสดงความคิดความเห็นไปแล้วเนี่ยทําให้ตัวเองจมปลักจมบอ่อจมหลุมลงไปตอนนั้นจึงทรงจําแนกบุคคลออกไปว่าสมณพราหมพวกหนึ่งเนี่ยคนพวกหนึ่งเนี่ยมักเขียนว่าสิ่งทั้งปรงควรแก่เราดังนี้ก็มีคนหนึ่งว่าสิ่งทั้งปรงไม่ควรแก่เราก็มี พวกหนึ่งมักกล่าวอย่างนี้ว่ามักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแกเราบางสิ่งไม่ควรแกเราครั้งนี้ก็มีซึ่งหมายความว่าเป็นการใช้ตัวเองเป็นศูนย์ในการคิดประเภทแรกก็คือสิ่งท้่ปรุงควรแกเราหมายความยืนยันหมดว่าสิ่งท้่ปรุงควรแกเราซึ่งเอาความจริงมันก็ไม่จริง ก็แสดงว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆก็ควรแก่เขาด้วยว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราก็าแสดงว่าพ่อแม่แต่เราตัวเราก็ไม่ควรแก่เราด้วยคือเป็นการยืนยันยืนยันสุดขั้วไปทั้งสองด้านมันไปคลุมเอาสิ่งที่ควรด้วยสิ่งที่ไม่ควรด้วยเจ้าพวกหนึ่งถือว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบใจ บางสิ่งไม่ควรแกขร่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ชอบใจนั่นก็สแสดงให้เห็นว่ามันเป็นการใช้อารมณ์ตามความรู้สึกของเขาเองแทนที่จะไปคิดว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรเนี่ยไปคิดว่าเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไรมันก็กลายเป็นความผิดผิดซึ่งก็ไม่ใช่ผิดตลอดหรอกแต่ว่าโอกาสจะเสี่ยงต่อความผิดมันมีเยอะเพราะจริงๆแล้วมันมีเกณฑ์กาหนด ความถูกความผิดของของคนเนี่ยอยู่ที่การกระทาของเขาเองมันไม่ใช่อยู่ที่เรามีความรู้สึกต่อเขาอย่างไงแต่ว่าอยู่ที่เขาคิดอย่างไงเขาทำอย่างไงเขาพูดอย่างไงการทำการพูดข อ, ของการคิดของเขาเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการกำหนดว่าเขาเป็นคนดีหรือไม่ดีเพราะนั้นก็รับรับสั่งว่าพวกที่ไปคิดว่าถึงต้องปวงควรแกเรานั้น ได้ไปทางความกำหนัดจิตมนโนมเองไปทางความกำหนัดคือพอใจพอใจมันก็เปื่อไปหมดแล้วพอใจไปหมดเลยไม่รู้่อะไรควรจะพอใจหรือไม่พอใจคือไม่มีปัญญาในการแยกแยะไม่ใช่ว่าปฏิเสธเขาทั้งหมดหรือว่ายินยันเขาทั้งหมดแต่ที่จริงเราว่ากันตามสมควรแก่กรณีเห็นทสมมติว่าผลนม้ผลไม้อยู่ในเข่งเนี่ย คือเราจะพูดว่ากินได้ทั้งหมดก็ไม่ได้พูดว่ากินไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ก็ว่ากันตามสมควรแ ก, กร่กรณีของผลไม้ผลนั้นว่าผลใดกินได้ผลใดกินไม่ได้คือเอาตัวมันเป็นเครื่องมือในการตัดสินไม่ใช่เอาตัวเราเป็นเครื่องมือในการตัดสินทีนี้เมื่อใกล้ไปทางความกำหนัดแล้วเนี่ย ก็ทำให้เป็นการประกอบสัตว์ไว้คือขังสัตว์ไว้ในความเห็นตรงนั้นแล้วก็นำไปสู่ความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีแล้วก็บางครั้งก็ต้องอดกลั้นอกทนต้องประสบความทุกข์ความเดือดร้อนต้องกล้ำกลืนฝืนทนไปกับสิ่งเหล่านั้นแล้วใกล้ไปทางความยึดมั่นหรือมั่น ว่าเป็นของเราบ้างว่าเป็นเราบ้างว่าเป็นตัวเป็นตนก็เราบ้างเรารับสั่งว่าอคิเวสนาความเห็นบรรดาความเห็นนั้นความเห็นของสมณพราหมณ์พวกที่มักกล่าวอย่างนั้นมักเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปๆไม่ควรแก่เราใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปกับด้วยความกําหนับแต่ว่าใกล้ข้างธรรมไม่เป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ กลยข้างธรรมไม่มีเหตุเพลิดเพลินกลยข้างธรรมไม่มีไม่เป็นเหตุกลำกคืนกล้ข้างธรรมไม่เป็นเหตุติดมั่นมันก็กลายเป็นพูกปริเลประเภทตัวสาหรือว่าจะถ่ายถอนได้ถ้าถ่ายถอนออกมาได้นะฮะหมายความว่าก็ไม่มีกิเลสคือไม่มีความกำหนัดก็ไม่มีความกัดเครืองนะคร เพราะทำไม่ได้เกิดความสงบให้เกิดความสุขก็รับสั่งเมื่อพระพุทธเจ้ารับสั่งอย่างนี้ที่ข้านักคะาก็ได้กราบทูลว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงยกย่องความเห็นของข้าพเจ้าย้ำสองครั้งนะฮะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องความเห็นขอ ง, ของท่านท่านคิดว่าที่พระพุทธเจ้ารับสั่งนั้นเป็นการยกย่องความเห็นของท่าน ท, ท, ทั้งๆที่ทรงชี้ถึงความจริงให้ดูนะคความชี้ถึงความจริงให้ดูเพราะว่าท่านเริ่มที่ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ท่านท่านไม่ชอบใจทีนี้พระพุทธเจ้าก็รับสั่งว่าบุคคลใดที่ไปคิดว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าเนี่ยมันก็น้อมเอียงไปหาความกำหนัดน้อมเอียงไปหาความโลภน้อมเอียงไปหากามราคะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้น ก็จะเป็นการโน้มเอียงไปทางใคลายกำหนับคลายความยิดติดคลายความยึดมั่นถึงมั่นท่านก็นไปคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องท่านพระุทธเจ้าจึงรับสั่งว่าอาคิเวสนะในความเห็นนั้นๆความเห็นของสำนักพราหมณ์พวกที่มะกล่าวอย่างนี้มักเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เรานั้น ควรที่เห็นว่าควรใกล้ข้างกิลเลสอันเป็นไปกบด้วยความกำหนัดใกล้ข้างกิลเลสเพื่อกอบสัตว์ไว้ใกล้ข้างกิล เ, เ, เกลส เ, เป็นเห sweetie, ตุเพลิดเพลินใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุกากลืนใกล้ข้างกิเลสเป็นเหตุยึดมั่นส่วนที่เห็นว่าไม่ควรเนี่ยใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปด้วยความกำหนัดใกล้ข้างธรรมไม่เป็นไปเพื่อประกอบสัตว์ไว้ กล้ข้างทรรไม่เป็นเหตุเพลิดเพลินใกล้ข้างทรรไม่เป็นเหตุกลามกลืนกล้ข้างทําไม่เป็นเหตุคิดตือมันก็แสดงให้เห็นว่าถ้าไปถ่ายถอนความกำหนัดความยึดติดเห็นว่าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจมันก็เพิ่มความกำหนัดแต่ถ้าผ่อนคลายความกาหนัดออกฟันได้ อาการที่สืบเนื่องมาจากความกำหนัดก็หมดตามไปด้วยจึงรับสั่งว่าปัรดาความเห็นนั้นในความเห็นของสมนักพราหมณ์ผู้ที่มักล่าวอย่างนี้มาเห็นดยงนี้ว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เรานั้นผินยูชนย่อมเห็นสนักว่าเขาจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของของเราว่าสิ่งั้องวงควรแก่เราดังนี้นน แล้วยืนยันโดยแข็งขันแข็งแรงนะฮะยืนยันเราอย่างนั้นน่ะสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าอันนี้นตัวยุ่งที่สุดกื อ, อีิดาไม่ว่าสจังโมฆะมันยังอย่า ง, างนี้เท่านั้นถูกต้องอย่างอื่นไม่ถูกต้องแล้วใครจะว่ากล่าวจะชี้แนะจะตักเตือนจะให้เหุผลยังไงแกก็ไม่ไปเราไม่ยอมขยับไปไหนเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์พวกสองหมายความมาอีกสองพวกที่เขาไม่ถืออย่างนั้นน่ะ ถืออย่างนั้นว่าบางสิ่งควรแกเราบางสิ่งไม่ควรแกเราหรือสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกเราอย่างเี้มันก็แสดงมาถือตรงกันข้ามก็เกิดเป็นความขัดแย้งกันคือสมณพราหมณ์ผู้มะกล่าวอย่างนี้มกเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกเราหนึ่งสมณพราหมณมะกล่าวมกเห็นอย่างนี้ว่าบางสิ่งควรแกเราบางสิ่งไม่ควรแกเราหนึ่ง เมื่อความถือผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในสุดก็จะทุ่มเถียงกันพอทุ่มเถียงกันก็แข่งแย่งกันเมื่ีความแข่งแย่งกันในความเบียดเบียนกันก็มีผิ้ดูชนพิจารณาเห็นความถือผิดกันความทุ่มเทียงกันความแข่งแย่งกันการเบียดเบียนกันในตนดังนี้อยู่จึงละทิฐินั้นเสียด้วยมายึดถือที่ถืออื่นด้วย หมายความว่าไม่ถือปักไม่ถือปักทั้งสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่ข้าพเจ้าสิ่งทั้งปวงควรแก่ข้าพเจ้าบางสิ่งควรแก่ข้าพเจ้าบางสิ่งไม่ควรแก่ข้าพเจ้านไม่ปักในลักษณะอย่างนั้นไม่ปักทั้งสี่ทางไม่ใช่ว่าไม่ไม่ปักแค่เพราะทางใดทางหนึ่งแต่จะวินิจฉัยหาประโยชน์จากสิ่งนั้นๆตามสมควรแก่ขณะที่ตนได้สัมผัสสิ่งเหล่านั้น นี่ก็เป็นหลักการอย่างหนึ่งในการมองสิ่งทั้งหลายท่านผู้ฟังจะลองสังเกตนะว่าติคนะขะเขาก็อยู่ในเกณฑนะ์เป็นนักปราดนะเป็นนักบวชแล้วก็แสดงวาททิฏฐิในแนวที่ประกาศความยึดมั่นหรือมั่นเป็นแนวปฏิฆะคือไม่ชอบสิ่งทั้งปวงไม่ควรแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ชอบ ตกลงก็ไม่ชอบหมดความเห็นทั้งหมดเนี่ยผลรุ่ยท้ายคนมันก็อยู่กันคนละฝ่ายอยู่คนละฝ่ายเสร็จแล้วก็เถียงกันแต่ว่จริงเหล่านั้นถ้าหากว่าเราเกิดการประนีประนอมกันเกิดมีจุดในการประสานการอย่างชาติบ้านเมืองอย่างความไม่ชาติบ้านเมืองอย่างเงี้ยเราอาจจะขัดแย้งอาจจะตกเสียงอาจจะไม่เข้าใจกัน เอาตกลงใหม่อะไรเป็นประโยชน์แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากที่สุดเอาสิ่งนั้นคือไม่ให้ไม่ให้ความต้องการแก่ตัวเองแต่ให้ความต้องการแก่ความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คนก็ไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วก็พยายามแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์จากความเห็นตรงนั้น ดังนั้นการละการสลาทิฏฐิเหล่านี้ย่อมมีได้ด้วยอาการดังนี้กระับสั่งว่าบรรดาความเห็นเหล่านั้นในทิฏฐิของสมณ า, าพราหมณ์ที่กล่าวว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้นั้นปิญญูชนย่อมเห็นสนักว่าถ้าเราจะยึดมั่นถือมั่นซึ่งทิฏฐิของเราว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เราดังนี้ แล้วก็ยืนยันแข็งแรงว่าสิ่งนั้นเท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็พึงถือผิดจากสมณพราหมณ์สองพวกสองพวกนี้คือพวกที่ปักกาวว่าสิ่งทั้งปวงควรแก่เราหนึ่งแล้วก็บางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราหนึ่งผลนุ้ายก็ขัดแย้งกันเพราะต่างคนต่างไปให้ความต้องการแก่ความเห็นของตัวเอง ทีนี้เมื่อความถือผิดกันมีอยู่ดังเนี้ยการทุ่มเถียงกันก็มีเมื่อมีการทุ่มเถียงกันการแข่งแย่งกันก็มีเมื่อแข่งแย่งก็เบียดเบียนกันมิยูชนพิจารณาเห็นความเห็นผิดเนี่ยความทุ่มเถียงการแข่งแยง่งการเบียดเบียนในตนดังนี้จึงละทิฏฐินั้นเสียแล้วก็ไม่ยึดถือทิฏฐิอื่นด้วยการละการสละคืนทิฏฐิเหล่านั้นก็มีได้ด้วยการอย่างนี้ รับสั่งต่อไปว่าอีกพวกหนึ่งเนี่ยมักมีความเห็นว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้วิญญูชนเราอื่นก็เห็นตระหนักว่าคนที่มีความเห็นอย่างเนี้ยซึ่งมีทิฏฐิของเราว่าบางสิ่งควรแก่เราบางสิ่งไม่ควรแก่เราดังนี้แล้วยืนยันโดยแข็งแรงว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเขาก็พึงถือผิดจาก อีกพวกหนึ่งนะฮะที่ว่าสิ่งทั้งปวงควรแกเราคือพวกพวกพวกหนึ่งยืนยันบางสิ่งนะฮะพวกหนึ่งปฏิเสธบางสิ่งแต่ว่าพวกหนึ่งยืนยันหมดวควรแกเราหมดหรือไม่ควรแกเราหมดเนี่ยหมายความว่าปฏิเสธหมดหรือว่ายืนยันหมดมันก็กลายเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันของบุคคลสามกลุ่มนะฮะของของบุคคลสามกลุ่ม ทีนี้สมณพราหมณ์ที่กล่าวอย่างนี้เห็นอย่างนี้ว่าสิ่งต่างๆไม่ควรแก่เราเนี่ยเมื่อความถือผิดมีอยู่ดังนี้การทุ่มเถียงกันก็ดีความทุ้มเถียงกันการแก่งแย่งความก็เกิดมีความแก่งแย่งกันเมื่อมีความแก่งแย่งกันในความเบียดเบียนกันก็มีผินดูชนพิจารณาเห็นแล้วก็ละเลิกความถือผิดละเลิกการทุ้มเถียงเหล่านั้น เมือ่อเมื่อละเลิกได้การแข่งแย่งการทุ่มเถียงกันก็ก็จะไม่มีนี่ก็เป็นเป็นวิธีที่ทรงสอนให้เห็นว่าเรื่องทั้งหมดนั้นควรจะอยู่ร่วมกันด้วยเหตุผลและความดีความถูกต้องเหมาะสมจริงๆในเรื่องเหล่านั้นคืออะไรก็ยึดถือประพฤติปฏิบัติไปตามนั้น อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมในกรณีนั้นๆก็คือหมายความมาสิ่งทั้งหลายนั้นถ้าไม่ดีแล้วไม่ใช่ไม่ดีตลอดไม่ดีในกรณีอะไรใช้ประโยชน์ไม่ได้ในกรณีอะไรก็ปฏิเสธในกรณีนั้นแต่ในบางการณีก็ใช้ประโยชน์ได้มันก็ดีในกรณีนั้นทีนี้ถ้าเราคิดกว้างไกลได้อย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่า สิ่งทั้งหลายในโลกเมื่อผ่านมือของคนฉลาดแล้วเนี่ยสามารถจะได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้ทั้งหมดสิ่งตอ น, นั้นจะเป็นอะไรนะั้นไม่สําคัญสําคัญว่าเขาคิดยังไงเขามองอย่างไรก็เข้าใจยังไงในกรณีที่คนบางคนบอกว่าบางสิ่งไม่ควรแก้ข้าพเจ้าบางสิ่งควรแก้ข้าพเจ้าเนี่ยในบอกว่าบางสิ่งที่ไม่ควรแก้ข้าพเจ้า มันไม่ควรตลอดไปหรือเปล่าสิ่งที่ไม่ควรตลอดเนี่ยก็คือกิเลสนะการตกเป็นทาตของกิเลสทั้งหมดแต่ว่ากันตามควา ม, มจริงแล้วกิเลสบางทีเราก็ต้องอาศัยเขาเช่นว่าความโลภเนี่ยมันก็ต้องมีแม้ในนิพพานเนี่ยต้องโลภอยากได้นิพพานต้องอาศัยความโลภแล้วก็ทิ้งความโลภ ความโลภมันก็กลายเป็นยานพาหนะสมบรณ์อาศัยเพื่อนําบุคคลเข้าไปสู่ น, นิพพานนั้นก็แสดงว่าความโลภที่จัดเกินไปมันก็ไม่ดีแต่ความโลภบางระดับเนี่ยมันเป็นกิเลสประเภทสร้างอะนะความโลภเนี่ยเป็นกิเลสประเภทสร้างอยากได้อย่างนั้นอยากมีสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแล้วเราก็สร้างขึ้นมาบ้านเมืองที่พัฒนาจเจริญขึ้นมาในจริงก็อาศัยความโลภของมนุษย์นะ แต่ว่าธรรมชาติที่ถูกทาลายไปเยอะก็เพราะความโลภของมนุษย์เช่นเดียวกันต้องฟังทั้งหลายใต้ร่มพระพุทธญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี